จงมังเกิดมีแกยจอมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านอาตมภาพพระสมรักยานะทีโรวัดพันศีตำบลจารพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปากกับย่าจมสาธิชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงโมงเช้า ในรายการร่มธรรมเวลา18นาฬิกานาทีถึงเวลา1 9บนาฬิก า, ารายการกรวีบทรธรถรมเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตกยัยโยมสาธุชนทั้งหลายก็สามารถหมนุนเคลื่อนเปิดรับฟังได้ในรายการของอาตมภาพไม่ว่าจะเป็นรายการเวลาตี 5-6 ถึงโมงเช้า รายการ18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิกาและเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาซึ่งเป็นรายการธรรมะที่เน้นในเรื่องของการสนธนาธรรมก็วันนี้ท่านพระอาจารย์สุภัส ต, ติภา ร, รกิจหน้าที่ไม่สามารถที่จะขึ้นมาจัดรายการได้ก็มอบให้อัตรมภาพนั้นมาดำเนินรายการ ปกติแล้วช่วงเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาก็จะเป็นธรรมวาไรตี้ก็คือการเทศคู่นั่นเองนะจมหรือที่เราเรียกว่าการสนธนาธรรมระหว่างอัตมาภาพและก็ท่านพระอาจารย์สุพัฒน์ปัตทวโรก็จะนำเสนอเนื้อหาสาระในส่วนของมงคล38ประการก็ในมงคล38ประการก็จะพยายามนำเสนอ เทาที่มีเวลาจําเป็นที่จะเอามาให้ยัดจมสาธิชนทั้งหลายก็ต้องรอว่าวันไหนจะมาบรรจบพบเจอก็ต้องขออภัยยัดโจมด้วยเรื่อง ว, ว่าภารกิจหน้าที่ของอาจมาภาพและท่านพระอาจารย์สุภัฒน์นั้นมีพอสมควรทีเดียวก็บางทีก็มาจัดแบบลุ่มๆดอนๆบ้างก็ต้องขออภัยยัดโจมด้วยนะเนื่องจากว่าถ้ามีแต่ภารกิจหน้าที่ในส่วนอย่างเดียวนี่ก็คงจะ ไม่มีปัญหาเท่าไรนายจมแต่ว่าเนื่องจากว่าภารกิจหน้าที่พอสมควรก็ทำเป็นที่จะต้องอสละเวลาบางส่วนบางประการไปทำอย่างอื่นบ้างค <c oughs> งไม่ว่ากันนายจอมสาธิตชนทั้งหลายแต่ก็เนื่องอาสาระก็ยังคงเหมือนเดิมนายจอมก็ยังคงหมุนคลื่นแล้วก็บางทีนายจมที่โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการมาสอบถามอัตมาภาพว่า เวลาแปนาฬิกาถึง9นาฬิกาทำไมเวลาหายไปไหนว่าอย่างนั้นก <c oughs> ็เผอิญว่ามีการเปลี่ยนแผนผังรายการเวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการายการกรวีบทรถธรรมบทกลอนที่เนื้อหาสาระที่นำเสนอนั้นก็คงหมดไปแล้วก็เวลาอัตมาภาพในส่วนของ4ี่โมงเย็น ก็คือ16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาของพระกุลเจ้าที่พูดเรื่องระเบียบชาวพุทธนั้นหายไปไหนก็ต้องบอกว่าก็เปลี่ยนเวลาไปหมดแล้วก็ไม่มีที่จะนำมาเสนอให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คงจะมีช่วงเวลาตี5ถึง6โมงเช้าแล้วก็ช่วงเวลา18นาฬิกานาทีถึงเวลา19นาฬิกาแล้วก็มีเวลา21นาฬิกาถึงถึงเวลา22นาฬิกา อย่างนี้ก็แจ้งถึงญาติมสาธิชนทั้งหลายที่ติดตามรายการของอาตมาภาพด้วยว่ารายการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการก็ไม่สามารถที่จะมาดำเนินรายการพูดปพบเจอคายญาติมได้ตามปกติในส่วนของเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาที่รายการก็ยังคงยืนหยัดมาประมาณเมื่อ4ี่หปีที่ผ่านมาด้วยแะก็ ต้องขอพายะโยมด้วยก็เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระบบรูปแบบใหม่ในการนําเสนอยะโจมก็ถือว่ายะโยมสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาสู่รายการได้เช่นเดียวกันนสนนทนาธรรมกับอาตมาภาพหลังจากที่อาตมาภาพได้พูดเนื้อหาสาระจบแล้วก็สิบห้านาทีสุดท้ายก่อนที่จะจบรายการก็สามารถที่จะ โทรสารเขามาสู่รายการแจ้งผลการรับฟังว่ารับฟังชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือต้องการที่จะให้รายการธรรมะนั้นไปอยู่ช่วงเวลานั้นอย่างไรนะส่วนใหญ่แล้วรายการธรรมะก็จะไปอยู่ช่วงเวลานนตีห้ายัดโยมยังไม่ตื่นแล้วก็สามทุ่มอย่างนี้ยัดโยมหลับแล้วอะไรเป็นต้นนะ ก็วันนี้ก็จะนําเสนอเมื่อต่อจากเมื่อวานก็แล้วกันเพราะว่าถ้าจะคุยในส่วนของมงคลสามประการนั้นอคงไม่จําเป็นที่จะต้องคุยเพราะว่ามงคลสามประการจะเน้นในส่วนของการสนทนาธรรมระหว่างท่านอาจารย์สุภัสและกอาจารย์ภาพก็แล้วกันเมื่อวานได้พูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระนาในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าบังสุ k ุ l นั้นเราทอดผ้ากันอย่างไร การทอดผ้าผูสาโยงคือการทอดแบบไหนการเก็บได้สายสินเราจะเก็บกันอย่างไรวิธีการทอดผ้าบางสกุลที่อ่านส่งนั้นเราทำกันอย่างไรเมื่อวานทาย จ, จมติดตามรับฟังารายการก็จะเข้าใจพอสมควรทีเดียวบันนี้จะพูดคุยในส่วนของเรื่องระเบียบปฏิบัติการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบางสกุลที่เมรุ ตที่เราเห็นกันเป็นประจำเป็นประจำบางทีถ้าเราอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันก็สามารถที่จะฟังรายการนี้แล้วก็เอาไปเพื่อเป็นการอาบอกถึงความเป็นมาตรฐานก็แล้วกันก็ <c oughs> วิธีการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบางสกุลในย่จมการเชิญผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าบังสกุลที่เมรุเนี่ย นิยมมีภาชนะสำหรับรองรับผ้าบังสุกุลไม่ว่าจะเป็นผ่านทองหรือตลุมมกุกนะใส่ผ้าบังสุกุลเราเราก็ถือภาชนะใส่ผ้าบงบังสุกุลเนี่ยด้วยมือทั้งสองข้างนะยศจมเหมือนเหมือนการอุ้มนะนะประคองเข้าไปเพื่อไปเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นไปทอดผ้าบังสุกุลที่เมรุครั้งละหนึ่งท่านปกติแล้วไม่นิยม เชิญขึ้นไปพร้อมกันหลายท่านนายจมุมผู้ถือภาชนะใส่ผ้าบาังสกุลเข้าไปเชิญนั้นนี่นิยมเดินเข้าไปหาท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ยืนตรงโค้งคำนับกล่าวคำเชิญขึ้นเพื่อไปทอดผ้าบาังสกุลที่เมรุแล้วก็นิยมเดินตามหลังผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญ น, นั้นไปโดยเดินตามไปด้านซ้ายมือของท่านผู้มีเกียรตินั้นยจก เมื่อขึ้นถึงเมรุแล้วนี่พึงยืนตรงห่างจากผู้มีเกียินั้นประมาณหนึ่งเก้ามือทั้งสองนั้นประคองภาชนะใส่ผ้าบางสุกุลยืนมอบให้แก่ท่านผู้มีเกียินั้นเมื่อเรามอบผ้าบางสุกุลให้ท่านผู้มีเกียรติ้แล้วนี่นก็ลงจากเมรุเตรียมผ้าบางสุกุลใส่ภาชนะรองรับเพื่อไปเชิญท่านผู้มีเกียริท่านต่ อ, ต อ, ตอไปจก ลำดับการเชิญผู้มีเกียรติน่การเชิญผู้มีเกียรตินั้นมีลำดับเหมือนกันในะยะโยมคือการเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทอดผ้าที่เมรุน่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเชิญท่านผู้มีอาวุโสน้อยไปหาท่านผู้มีอาวุโสมากขึ้นไปตามลำดับท่านผู้มีเกียรติซึ่งได้รับเชิญมาเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีการประชุมเพลิงศพนั้นน่ เรานิยมเชิญขึ้นทอดผ้าบางสุกุลเป็นอันดับสุดท้ายเมื่อท่านทอดผ้าบางสุกุลแล้วนี่ก็เชิญท่านประกอบพิธีไปชุมเพลิงศพสืบต่อไปได้ทันทีเพื่อไม่ต้องมารบกวนเชิญท่านเดินขึ้นเมรุกอีกต่อไปเป็นครั้งที่สองในยันจบในการเชิญท่านผู้เป็นประธานพิธีนาขึ้นทอดผ้าบางสุกุลเป็นอันดับสุดท้ายนี่ ฝ่ายเจ้าภาพเนี่ยนิยมเตรียมอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหรือพิธีประชุมเพลิงศพไว้ให้พรั่งพร้อมบนเมรุนั้นแล้วทุกประการเพื่อป้องกันม่ให้ท่านต้องรอคอยเป็นการเสียเวลาและก็เป็นการทรมานท่านโดยใช่เหตุอีกด้วยยัดจบทีนี้ถ้าเราจะปฏิบัติการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นเราจะมีวิธีปฏิบัติการประกอบพิธีอย่างไร เมื่อท่านผู้เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพขึ้นไปบนเมรุแล้วนี่เหล่านั้นนิยมยืนตรงโค้งคำนัำบศพรับผ้าไตรามาจากผู้เชิญวางทอดถวายไว้ณนภะาชนะที่เขาเตรียมไว้รองรับหรือวางทอดถวายไว้บนหีบศพตามควรเกจกรณีเมื่อผู้เป็นประธานพิธีวางผ้าไตรทอดถวายแล้วนิยมยืนตรงโค้งคำนัำบศพ แล้วก็ถอยหลีกหนีไปยืนณมุมของเมรุด้านซ้ายของพระสงฆ์ที่จะขึ้นมาพิจารณาผ้าบังสุกุนเพื่อรอเวลาพระสงฆ์พิจารณาหนาผ้าบังสุขุนยจบที่นี้ขณะที่พระสงฆ์ขึ้นมาถึงบนเมรุนี่ผู้เป็นประธานพิธีนั้น น, นิยมน้อมตัวหลงยะโจมยกมือไหว้พระสงฆ์ ขณะที่พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลผู้เป็นประธานพิธีนิยมประนมมือขณะที่พระสงฆ์จะลงจากเมรุไปผู้เป็นประธานพิธีนิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พระสงฆ์อีกครั้งหนึ่งต่อจากนั้นนี่ผู้เป็นประธานพิธีพึงเริ่มการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนิยมปฏิบัติการอย่างนี้นายจอมคือคื อ, คอผู้เป็นประธานพิธี ยืนหันหน้าไปทางทิศ ท, ที่ตั้งพระราชวังที่ในหลวงประทับอยู่ยืนโค้งคำนับถวายความเคารพในหลวงแล้วก็หันกลับมาทางที่ตั้งศพรับเครื่องสักการะบูชาศพจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังวางเคารพศพที่เชิงตะกอนยืนตรงโค้งคำนับศพและก็รับดอกไม้จันทร์มาจุดที่ไฟหลวงวางที่เชิงตะกอน แล้วก็ยืนตรงโคง้งคำนับศพแล้วก็หันหน้าไปทางทิศ ท, ที่ตั้งพระราชวังที่ในหลวงประทับอยู่ยืนตรงโคง้งคำนับถวายความเคารพในหลวงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินลงจากเมรุเป็นอันเสร็จประ ก, รระกอบพิธีพระราชทานเพลงศพยาจบระเบียบปฏิบัติการไปงานศพเนี่เราจะมีระเบียบปฏิบัติการอย่างไรโดยเฉพาะในการไปงานรดน้าศพนี่เราจะ ทำอย่างไรญาติโ ย, ยมหรือการหัสผู้ไปงานรดน้าศพนั้นไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนั้นนี่เรานิยมอย่างไรก็นิยมแต่งกายไว้ทุกแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นนั้นๆพร้อมกับเตรียมภาชนะใส่น้าอบไทยสำหรับใช้รดน้ำศพไปด้วยนะถ้ามีจะจ การรดน้ำศพนั้นเนี่ยถือกันสืบมาว่าเป็นกิริยาอาการขอขมาโทษต่อศพของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไปในการรดน้ำศพเนี่ยนิยมทำการรดน้ำเฉพาะศพของท่านผู้อวุโสสูงกว่าตนหรือศพของผู้อาวุโส ร, รุ่นราวคราวเดียวกันเท่านั้นท่านผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ ก็นิยมไปร่วมพิธีในงานรดน้าศพนั้นด้วยเพื่อเป็นการให้เกียรติและก็ไว R ้อาลัยแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กําลังใจแก่เจ้าภาพงานศพนั้นอีกด้วยแต่ก็ไม่นิยมรดน้ำขอขมาศพยาจบวิธีปฏิบัติการรดน้ำศพคฤรืหัดถ้่เป็นศพครืหัดซึ่งมีอาวุโสสูงกว่าตนนี่ ก่อนจะทำพิธีรดน้ำศพก่อนนิยมนั่งคุกเข่าน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับนึกขอขมาโทษต่อศพนั้นนาก น, นิยมกล่าวเป็นภาษาบาลีและก็คำแปลไทยญาติโยมก็หมายความว่าเรานี่ก็ควรจะกล่าวว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังอโหสิกรรมมังโหตุถ้าเราจะแปลก็แปลว่าข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่าน ทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านโปรดอโหสิกรรมไม่แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดเมื่อยกมือไหว้ขอขมาทอดต่อศพจบแล้วนี่ก็ถือผาชนะสำหรับรถน้ำด้วยมือทั้งสองเทน้ำลงที่ฝ่ามือขวาของศพพร้อมกับเรานึกในใจว่าอิทังมะตะกะสะรีรัง อาสันจิตโตทั ก, กังวิยะอาโหสิกร ม, มังแปลว่าร่างกายที่ตายแล้วนี้ย่อมเป็นอโหสิกรรมไม่มีโทษเหมือนาน้ำที่รดแล้วฉันนั้นเมื่อรดน้ำศพเสร็จแล้วก็นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับอธิษฐานว่าขอให้ท่านจงไปสู่สุคติสุคติเถิดเป็นต้นถือว่าเป็นการเสร็จพิธีรดน้ำศพส่วนวิธีปฏิบัติการรดน้าศพพระสงฆ์นี่ ถ้าเป็นศพของพระพิสุสงก่อนรดน้ำศพนั้นนิยมนั่งคุกเข่าตามเพศถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็พึงนั่งคุกเข่าตั้งปลายเท้าลงจรดพื้นถ้าเป็นสุภาพสตรีพึงนั่งคุกเข่าราบเหยียบหลังเท้าราบไปกับพื้นกราบแบบเบญจังคประดิดสามครั้งพร้อมกัด น, นึกขอขามาโทษดังกล่าวแล้วที่ว่ามาเมื่อกราบขอขามาโทษเสร็จแล้ว พึงถือภาชนะสําหรับรถน้ําศพด้วยมือทั้งสองเทน้าลงที่ฝ่ามือขวาของศพพร้อมกับนึกในใจดังกล่าวที่ว่ามาเมื่อรถน้ําศพเสร็จแล้วเน่ก็นิยมกราบแบบเบญจางข้าประดิษ์อีกสามครั้งพร้อมกับนึกอธิษฐานดังกล่าวที่ว่ามาแล้วก็คือท่านจงไปสู่สุคติเถิดว่าอย่างนั้นแหละยะจบ ดังนั้นนี่นิ ย, ยมสาธิชนทั้งหลายนี่การไปงานตั้งศพบําเพ็ญกุศลนี่เราจะทํากันอย่างไรคือบุคคลที่จะไปงานตั้งศพบําเพ็ญกุศลซึ่งตั้งศพอยู่ที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีทั้งสุภาพสตรีและก็สุภาพบุรุษนั้นนิยมแต่งกายไว้ทุกแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถนนิ่นนั้นๆ นิยมนำพวงรีดหรือนำกระเช้าดอกไม้แจกันดอกไม้หรือพวงดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแก่ฐานะของตนของตนไปแสดงความเคารพศพด้วยวิธีปฏิบัติการแสดงความเคารพศพครือขัดถ้าเป็นศพครือขัดซึ่งมีอาวุโสกว่าตนผู้ไปเคารพศพนั้นนิยมนำพวงรีดไปเคารพศพด้วย เมื่อวางพวงหรีดไว้ข้างหน้าที่ตั้งศพแล้วนี่ถ้าแต่งเครื่องแบบพระราชการนิยมยืนตรงโค้งคำนับถ้าไม่ได้แต่งเครื่องแบบพระราชการนิยมยืนตรงน้อมตัวลงยกมือไหว้เป็นอันเสร็จพิธีถ้านำกระเช้าดอกไม้แจกันดอกไม้หรือพวงดอกไม้ไปเคารพศพเมื่อวางกระเช้าเป็นต้นไว้ข้างหน้าที่ตั้งศพนั้นแล้วเราก็นิยมนั่งคุกเข่ากราบ ตั้งเพศชายและเพศหญิงจุดธูปหนึ่งดอกปรมมือยกธูปขึ้นจบให้ปลายนิ้วชี้อยู่ระหว่างคิว้วตั้งจิตขอขมาโทษต่อศพนั้นว่ากายกรรมบังวจีกรรมังมโนกรรมบังอโหสิกรรมบังโหตุขปเจ้าได้ล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมไม่แก่กกขยขปเจ้าด้วยเทอดเมื่อขอขมาศพแล้วนี่ เราก็พึงปักทปนะูปณที่สำหรับปักทปูปแล้วก็นั่งพับเพียบหมอบกราบด้วยกระพุ้มมือก็คือนั่งพับเพียบแต่แขงตัวข้างขวาหันหน้าไปทางศพวางมือขวานี่ลงก่อนแล้วก็วางมือซ้ายแนบกับมือขวาประนมมือตั้งอยู่กับพื้นพร้อมกับหมอบให้หน้าผากจดลงลงจดสันมือ พร้อมกับตั้งเิตอธิษฐานว่าขอจงไปสู่สุขคติสุขติเถิดแล้วก็ลุกขึ้นเป็นอันเสร็จพิธีอันหนึ่งในการตั้งศพที่ได้รับพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติศพนั้นมีนิยมว่าผู้ไปคารบศพไม่ต้องจุดธูปบูชาศพวิธีปฏิบัติการแสดงความคารบศพพระสงฆ์เราจะแสดงความคารบกันอย่างไรก็หมายความว่าผู้ไปงานศพ หรือผู้ไปงานตั้งศพพระสงฆ์บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมก็นิยมแต่งกายและนำเครื่องสัการะบูชาไปเช่นเดียวกับงานศพของครหัตเมื่อเราวางเครื่องสัการะบูชาที่หน้าตเครื่องตั้งศพแล้วนิยมนั่งคุกเข่าตามเพศคือสุภาพบุรุษก็นั่งคุกเข่าตั้งเท้า สุภาพสตรีนั่งคุกเข่าราบหยุดทูบหนึ่งดอกประนมมือยกทยูบขึ้นตั้งให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากพร้อมกับตั้งใจขอขมาโทษศพนั้นดังที่กล่าวมาด้านดั่นต้นนั้นแหละเมื่อขอขมาโทษต่อศพแล้วก็พึงปักทูปณที่สำหรับปักทูปแล้วกราบแบบเบนจางค้าประเด็ดสามครั้ง พร้อมกับขณะที่กราบนั้นพึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอจงไปสู่สุขติสุขติเทิดนาะการไปแล้วก็เราก็ลุกขึ้นถือว่าเป็นการเสร็จพิธียาจบทีนี้การไปงานเผาศพนี่เราจะไปอย่างไรหรือเราจะมีวิธีการอย่างไร บุคคลผู้จะไปงานเผาศพจะเป็นงานประราชทานเพลิงศพก็ตามงานประชาปณกิจศพก็ตามส่วนใหญ่แล้วให้เราแต่งกายไว้ทุกขแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วตามความนิยมของสังคมท้องถิ่นดังนัง้นผู้จะไปงานศพนั้นหนี่นิยมเตรียมเครื่องขอขมาศพก็คือทูบไม้ระ ก, กรรมเทียนและก็ดอกไม้จันด้วยถ้ามี แต่ในชนบทบางท้องถิ่นก็นิยมเตรียมเชื้อเพลิงเช่นกีใต้ไม้ฟืนเป็นต้นเพื่อนำไปร่วมด้วยช่วยกันในการเผาศพด้วยทีนี้ถ้าเราจะเรียงลําดับการขึ้นเมรุเผาศพเนี่ยเราจะลําดับกันอย่างไรถ้าเป็นงานพระราชทานเพลิงศพนิยมขึ้นเมรุเผาศพตามลาดับอาวุโสทางคุณวุธคือผู้มียศฐานาศสูงกว่าขึ้นไปเผาศพก่อน ผู้มีอาวุโสทางคุณวุฒ่น้อยกว่าขึ้นไปเผาศพภายหลังถ้าเป็นงานชาปนากิจศพนิยมขึ้นเมรุเผาศพตามลําดับอาวุโสทางวัยวุฒิคือผู้มีอายุมากกว่านั้นขึ้นไปเผาก่อนผู้มีอายุน้อยกว่าขึ้นไปเผาหลังกันลงมาตามลําดับยาจบความนิยมเช่นนี้ก็ก็ก็เพื่อที่จะเป็นการแสดงปริศนาธรรมตามสามัญลักษณะยาจบ ก็หมายความว่าบุคคลเราจะต้องเดินเข้าไปหาความตายเหมือนกับซากศพนั้นหมดทุกคนต่างคนต่างกันแต่ว่าคนที่มีอายุมากกว่าก็เดินไปถึงความตายก่อนคนที่มีอายุน้อยกว่าก็เดินไปถึงความตายภายหลังกันลงตามลำดับนั้นถ้าผู้ใดแสงขึ้นหน้าท่านที่มีอายุแก่กว่าตนขึ้นไปถึงศพนั้นก่อนย่อมถือว่าเป็นการแสดงกิริยาอาการคล้ายกับจะพูดว่า ขออนุญาตในขบ่าวเจ้าเดินไปถึงความตายนั้นก่อนเถอะ <c oughs> นา ย, ยจบพทะนะเ น, นี่ความนิยมให้ท่านผู้มีอายุมากมากขึ้นเผาศพก่อนเนี่ยก็ น, นับว่าเป็นประเพณีนิยมที่ดีมากเพราะว่าเป็นการสังคมสงเคราะห์ช่วยท่านผู้มีอายุมาก ซึ่งมีสังขารร่างกายอ่อนแอจะได้ไม่ต้องเบียดเบียนซึ่ง ก, กันกับคนอื่นหรือไม่ต้องรอคอยนาน น, านไม่ต้องทรมานสังขารร่างกายมากจนเกินไปอันอาจเกิดเป็นลมอันอาจเกิดเป็นลมแล้วก็ป่วยขึ้นได้ที่นี้วิธีปฏิบัติการเผาศพนีย่ยโยมเราจะมีวิธีปฏิบัติการกันอย่างไร ก็คือเมื่อเราขึ้นไปถึงเมรุแล้วนี่ก็นิยมยืนตรงห่างจากศพประมาณ1นก้าวถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการนิยมยืนตรงโค้งคำนับถ้ามีได้แต่งเครื่องแบบข้าราชการก็นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมทั้งทูบเทียนดอกไม้จันทที่อยู่ในมือเฉพาะศพนั้นมีอาวุโสกว่าตนหรือมีอาวุโส ร, รุ่นราวคราวเดียวกัน ขณะที่ยืนตรงโค้งคำนับหรือน้อมตัวลงยกมือไหว้นั้นนิยมตั้งจิตขอขมาโทษต่อศพนั้นว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมะโนกรรมมังอะโหสิกรรมมังโหตุซึ่งแปลว่าขาพบ aja ในล่วงเกินต่อท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีขอท่านได้โปรดอ ah โหสิกรรมไม่เก่ลียขบ aja ดีเถิด เมื่อเราขอขอมาทอดศพจบแล้วก็นิยมน้อมตัวลงวางทูปเทียนดอกไม้จันที่เชิงตะกรพร้อมกับพิจารณาตัวเองถึงความตายดจบนะไปงานศพแล้วต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะก็คือให้เรากล่าวว่าอยัมปิโขเมกาโยเอวังธรรมโเอวังพาวีเอวังานติโตซึ่งแปลว่าร่างกายของเราแม่นี่แหละ ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้มีปกติเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความตายอย่างนี้ไปได้เมื่อพิจารณาตัวถึงความตายจบแล้วนิยมวางเครื่องขอขอมาศบนั้นลงแล้วก็ยืนตรงโค้งคำนับหรือยกมือไหว้ศพอีกครั้งพร้อมกับนึกอธิษฐานในใจว่าขอจงไปสู่สุคติสุคติเถิดดังนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี การที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายขึ้นไปทําพิธีเผาศพพร้อมกันนั้นเนี่ยเป็นพิธีการแสดงความเคารพต่อศพเท่านั้นยังไม่ใช่พิธีการเผาศพจริงเมื่อแขกที่ได้รับเชิญมาขึ้นไปทําความเคารพศพต่อศพหมดแล้วนิยมให้วงสาคณาญาติสนิทเมตซหายผู้ใกล้ชิดกับผู้ตายขึ้นไปทําการเผาศพจริงอีกครั้งหนึ่งจึงเสร็จพิธีเผาศพสมบูรณ์ในยันจบ นี่คือระเบียบพิธีในส่วนของการเผาศพทีนี้ถ้าเราเผาศพเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องทําอะไรต่อก็ก็คือการเก็บอัฐินั่นแหละญาติโยมนะระเบียบปฏิบัติการทําการเก็บอัฐิการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีญาติโยมในการในพิธีการทําบุญเก็บอัฐินั้นนิยมจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้ให้มีพรั่งพร้อมก่อนถึงเวลาทําบุญ หน้าซึ่งก็มี1ละโกรดสำหรับใส่อธิต้องมี2ก็คือกล่องโลหะคือลุงหรือหีบไม้สำหรับใส่อธิที่เหลือและอังคาร3ผ้าขาวสำหรับห่อกล่องโลหะคือลุงหรือหีบไม้ 4. ่ก็ผ้าสำหรับทอดบังสุกุลก่อนเก็บอธิ 5. าก็คืออาหารขาวหวานสำหรับถวายพระสงฆ์ หกกรณีมรพระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลก่อนเก็บอัฐิการกําหนดเวลาเก็บอัฐิการกําหนดเวลาเนี่ยนิยมปฏิบัติกันโดยมากก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกัน 1. ก็คือทําพิธีเก็บอัฐิตอนเย็นวันเผานั้นหรือ2ก็ทําพิธีแก็บอัฐิตอนเช้าวันรุ่งขึ้นการเก็บพิธีเก็บอัฐิตอนเย็นวันเผาเน้นเนี่ นิยมปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาปนกิจศพที่จัดให้มีการทำบุญฉลองอธิต่อติดต่อกันไปจากงานเผาศพนั้นเพื่อรวบรัดงานบำเพ็ญกุศลให้แล้วเสร็จภายในวันเผานั้นแล้วทีเดียวก็ไม่ต้องไปกังวลใจอีกต่อไปการทำพิธีเก็บอธิตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นนี่ นิยมปฏิบัติในงานเผาศพที่เจ้าภาพมีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลทำบุญอัติในวันรุ่งขึ้นหรือยังไม่จัดงานบำเพ็ญทำบุญอัติก่อนเพราะยังไม่พร้อมด้วยเหตุใดก็ตามในการทำบุญเก็บอัติตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนี้นิยมจัดอาหารขาวและหวานใส่หบับโดยจัดใส่สำรับข้าวสที่จัดสำรับข้าว อาจับสำหรับหวานสามที่แล้วก็จัดคนหาบสามคนเดินเวียนรอบเชิงตะกรสามรอบขณะเดินเวียนรอบเชิงตะกรนั้นนิยมกูเรียกหากันแล้วก็ทำอาหารที่หาบมานั้นไปถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจรารณาผ้าบังสกุนอธิพิธีการจัดอาหารคาวและหวานใส่สำรับนะ่าแล้วให้คนหาบไปถวายพระสงฆ์สามที่อย่างนี้ ก็ น, นิยมเรียกกันว่าพิธีสามหาบยันจบความจริงขณะที่คนหาบเดินเวียนรอบเชิงตะกรนสามรอบและก็กูเรียกหากันนั้นถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติสมัยโบราณซึ่งจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะสมัยโบราณบ้านเมืองยังเป็นป่าดงพงพีเป็นส่วนมากและก็ น, นิยมนำศพไปเผาในป่าที่ห่างไกลออกไปจากบ้านเรือน ระยะทางเดินจากบ้านไปถึงป่าชาที่เผาศพนั้นเป็นระยะทางที่ไกลามากพอสมควรในการเดินป่านั้นจำเป็นจะต้องมีเครื่องหมายเป็นที่สังเกตเพื่อป้องกันไม่ให้หลงทางในพิธีนำศพไปป่าช้าจึงนิยมมีการปักธงเป็นเครื่องหมายไปตลอดทางด้วยเพื่อจะได้เดินทางกลับไม่หลงทางนั่นเองและก็ยังนิยมปฏิบัติการสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ความนิยมในการจัดอาหารคาวหวานใส่หาบหาบไปก็เพราะขนทางไกลถ้าจะแบกสำรับไปกว่าจะถึงก็เมื่อยล้าเพราะมีคำพังเพยที่ว่าหาบดีกว่าคอนนอนดีกว่านั่งจึงนิยมหาไปยะจบความนิยมในการความนิยมในการต้องหาบเบียนรอบเชิงตะรกอรนนั้นเพื่อเพราะการเดิน ในป่าซึ่งมากโดยต้นไม้ปิดบังสายตาทำให้อมองเห็นไม่ได้ไกลกว่าจะหาสถานที่เผาศพก็ต้องเดินเวียนหาอยู่หลายรอบขณะที่หาเวียนรอบเชิงตะกอนนั้นนิยมกูเรียกหากันนั้นก็เพราะการเดินในป่าเนี่ยจั่วระยะห่างกันไม่เกี่ยงเนก็มองไม่เห็นกันแล้วเกรงว่าจะพลัดหลงกันจึงต้องกูเรียกหากันไปตามขนทาง ประเพณีเหล่านี้นี่ล้วนมีความจําเป็นมากในสมัยโบราณนู่นนะย่าโจมแต่ล่วงเลยมาถึงสมัยปัจจุบันนี้บ้านเมืองเจริญแล้วความจําเป็นที่จะต้องทําเช่นนั้นก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นในพิธีทําบุญเก็บอัฐินั้นสมควรปฏิบัติเฉพาะพิธีกรรมที่จําเป็นและมีประโยชน์ก็คือการจัดสําหรับข้าวหวานไปถวายพระสงค์ที่นิมนต์มาพิจารณาบังสุกุลอัฐินั่นแหละเป็นข้อมุ่งหมายที่สําคัญ ส่วนการนำสําหรับไปนั้นนี่สะดวกอย่างใดก็ควรนําไปอย่างนั้นไม่จําเป็นจะต้องจัดใส่หาบแล้วก็เดินหาบเสมอไปและก็ไม่จําเป็นจะต้องกูเรียกหากันเพราะมองเห็นกันอยู่แล้วเรื่องเช่นนี้เญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอฝากท่านผู้รู้พึงพิษพิจารณาดูว่าควรหรือไม่ควรประการใดแล้วปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่เหตุการณ์และก็สถานที่นั่นน ยิงจะเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติอย่างมีเหตุมีผลสมกับภาวะของชาวพุทธอย่างแท้จริงส่วนในวิธีปฏิบัติในการเก็บอัฐิญาณโยมในพิธีการเก็บอัฐินั้นนี่สับเปรอนิยมทําพิธีแปรรูปคือนํามาอัฐิของผู้ตายที่เผาแล้วนั้นนี่มาวางเป็นรูปร่างเป็น โครงร่างโดยวางโครงร่างให้หัวหันไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ น, นิมนต์พระสงฆ์พิจารณาบางสุกุลด้วยคําพิจารณาบางสุกุลตายก่อนแล้วก็แปลรูปโครงกระดูกให้หันกลับไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ น, นิมนต์ในพระสงฆ์พิจารณาบางสุกุลอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงให้เจ้าภาพเก็บอัฐิใส่โกรจนพอแก่ความต้องการโดยเลือกเก็บอัฐิจากส่วนแห่งร่างกายหแห่งก็คือหนึ่ง กระดูกกระโหลกศีรษะหนึ่งชิ้น 2. กระดูกแขนทั้งสองข้างสองชิ้น 3. กระดูกขาทั้งสองข้างสองชิ้นและก็4กระดูกซี่โครงหน้าอกหนึ่งชิ้นส่วนอาทิที่เหลือรวบรวมทั้งอังคารขี่เท่าทั้งหมดนิยมกวาดรวมเก็บใส่กล่องโลหะหรือลุงหรือหีบไม้แล้วเอาผ้าขาวห่อเก็บไว้ เมื่อเก็บอัฐิเสร็จแล้วยอดโยมก็นำอาหารขาวหวานไปถวายพระสงฆ์ที่นิมนต์มาพิจารณาบังสุกุลเป็นเสร็จพิธีเก็บอัฐิส่วนการปฏิบัติการทำบุญฉลองอัฐินี่ก็มีระเบียบพิธีเหมือนกันยอดโยมก็คือการกำหนดงานทำบทุญอัฐิ การกำหนดวันและเวลาทำบุญฉลองอัฐิเนี่ยนิยมปฏิบัติกันโดยมากก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันก็คือ 1. การทำบุญฉลองอัฐิตอนเย็นวันเผาศพนั้น 2. ก็คือการทำบุญฉลองอัฐิตอนเช้าหรือตอนเพลิวันรุ่งขึ้นจากวันเผาศพนั้นหรือ 3. การทำบุญฉลองอัฐิเมื่อเจ้าภาพมีความพร้อมวันใดวันหนึ่ง การทำบุญฉลองอัฐิตอนเย็นวันเผาศพเนี่ยนิยมปฏิบัติในงานพระราชทานเพลิงศพหรืองานชาปนกิจศพที่จัดให้การบำเพ็ญกุศลติดต่อกันไปจากงานเผาศพนั้นโดยจัดงานณวัดที่เผาศพนั้นเพื่อรวบรวมงานบำเพ็ญกุศลในแล้วเสร็จภายในวันเผานั้นเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปการทำบุญฉลองอัฐิ ตอนเช้าหรือตอนแพ่นวันรุ่งขึ้นจากวันเผาศพนั้นนิยมปฏิบัติในงานเผาศพที่เจ้าภาพมีความประสงค์จะบําเพ็ญกุศลทําบุญเก็บอัฐิในวันรุ่งขึ้นแล้วก็นําอัฐิและอังคารไปตั้งบําเพ็ญกุศลฉลองอัฐิณนะบ้านเรือนของตนหรือณวัดใดวัดหนึ่งตามความสะดวกของตนเป็นประการสําคัญ การทำบุญฉลองอัฐิเมื่อเจ้าภาพมีความพร้อมวันใดวันหนึ่งนิยมปฏิบัติกันโดยมากในเมื่อเจ้าภาพได้ตระเตรียมตัวพร้อมแล้วถุกประการวันใดวันหนึ่งก็ได้เพราะการทำบุญกุศลที่มีผลมากมีอนิสงส์มากนั้นเจ้าภาพจะต้องมีความพร้อมด้วยศรัทธาและก็โภคะทั้งสองประกาศส่วนสถานที่จัดงานทาบุญฉลองอัฐิ สถานที่สําหรับจัดงานทาบุญฉลองอัฐินิยมปฏิบัติกันโดยมากก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกัน 1. น่ละก็เกงานบําเพ็ญบุญฉลองอัฐินวัดที่เผาศพนั้น 2. ก็คือจัดงานบําเพ็ญฉลองอัฐินวัดใดวัดหนึ่งหรือ 3. จัดงานทําบุญฉลองอัฐิณบ้านเรือนของตนเองการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีทําบุญฉลองอัฐิ ในการจัดงานทำบนฉลองอัฐินั้นนี่นิยมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีไว้ให้มีพรั่งพร้อมก่อนถึงวันและเวลาประกอบพิธีก็มีดังนิยาโจมก็คือหนึ่งละจะต้องเตรียมผ้าไตรหรือผ้าสบงผ้าเช็ดตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละสำหรับใช้ทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบาังสุกุลอัฐิ มีจำนวนเท่าพระสง์ที่นิมนต์มาสวดพระพุทธมนต์จำนวน 5, 7หรือส0รูปหรือมีจำนวนมากกว่านี้ก็ได้ตามกำลังศรัท ธ, ธาของเจ้าภาพสองก็คือได้สายศีลหนึ่งมว้วนสำหรับใช้โยงจากอธิมาทอดผ้าบังสุคุ l สามก็คือโต๊ะสำหรับตั้งอธิและอังคารหนึ่งตัวเพื่อจะใช้โต๊ะบูชา หรือเราจะใช้โต๊ะบูชาก็ยิ่งดีนะจมพร้อมดังเครื่องสักการะบูชาอาัถิคือกระถางทูบหนึ่งโลภพร้อมด้วยทูบหนึ่งดอกและก็เชิงเทียนพร้อมตั้งเทียนหนึ่งคู่การจัดงานทําแบบฉลองอัถินี้เราจะทํากันอย่างไรการจัดงานทําบุญฉลองอัถินั้นนิยมปฏิบัติพิธีทําบุญเช่นเดียวกับพิธีทําบุญทั่วไปนั่นเอง มีความนิยมต่างกันบ้างก็เพียงบางประการก็คือหนึ่งละนิยมไม่ต้องวงได้สายสินรอบอาคารบ้านเรือนสองไม่นิยมต้องวงได้สายสิลรอบฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะบูชาโยงไม้ประสงค์ถือสวดพระพุทธมนต์สามไม่นิยมไม่ต้องตั้งภาชนะน้ำมวลเพราะพิธีทำบุญฉลองอาธิษฐานเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อท่านผู้ล่วงนับไปแล้ว ไม่ใช่ทำบุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพงาน4กอนิยมจัดตั้งอธิและอังคารไว้บนโต๊ะพร้อมกับตั้งรูปของผู้ตายด้วยถ้ามีพร้อมต้งมีเครื่องสักการบูชาอัธิก็คือหนึ่งกระถางทูบหนึ่งลูกพร้อมกับทูบหนึ่งดอกเชิงเทียนหนึ่งคู่พร้อมกับเทียนสองเล่มพร้อมทั้งจัดเตรียมวงได้สายเสียนรอบโกรอธัธิอังคารรูปภาพของผู้ตาย เพื่อใช้ทอดภาพบังสุกุลให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลอัถิและก็อังคารต่อไปยัดจบเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ก็เลยนำเนื้อหาสาระในประเด็นต่างๆในเรื่องของระเบียบการทาบุญในเรื่องของอัถิด้วยและก็ในเรื่องอืนอ่นๆม า, าพูดการยัดจสาธุชนทั้งหลาย น่ก็คงจะสมควรแก่เวลาวันต่อไปก็จะได้นําเนื้อหาสาระระเบียบการทําบุญบรรจุอัถิาการกําหนดวันทําบุญอธิเราจะกําหนดกันอย่างไรปกติแล้วว่าจะพูดกันให้จบแต่ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาเพราะว่าถ้าจะพูดกันต่อไปนี่ก็จะคงเป็นเรื่องยาวพอสมควรที่จริงแล้วพิธีกรรมในงาน ศพนั้นก็มีเยอะทีเดียวยะโจมมีโบราณอาจารย์ท่านนั้นได้พูดคุยไว้แล้วก็พิมพ์เป็นตำรับตำราไว้ให้ลูกหลานนั้นได้ดูแล้วก็ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้นยาวแสนยาวนานไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรื่องประเพณีไทยฉบับพระมหาราชครูนี่ก็สามารถนำไปอ่านในแบนไปศึกษาได้ยะโจมซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่ดีจริงๆ หนังสือเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีไทยซึ่งมีมาตั้งแต่หนังสือเล่มนี้นัน้นมาตั้งแต่ปีพศ2106น่ะก็ได้เขียนเอาไว้ในระเบียบพิธีน่ะก็สามารถที่จะนำมาศึกษาในส่วนของการศึกษานั้ น, น, นได้ยัดจบก็ถือว่าเป็น จะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือชั้นดีคือหนังสือประเพณีไทยฉบับราชครูนะก็มีในส่วนของกระทรวงต่างๆนะแม้แต่ในส่วนโหนเองก็นํามาเผยแผ่ในส่วนตรงนี้นะก็ถือว่าในส่วนเนื้อหาสาระเนี่ดีจริงๆยาจบนะก็สามารถที่จะนําไปใช้ประกอบพิธีในการศึกษาเพื่อเวลานําไปใช้ นะไม่ปฏิบัติแล้วไม่เกิดการเก้อเขินเคินการต่อไปนะวันนี้ก็ถือว่าได้พูดคุยมาพอสมควรเก่วเวลายิดยมสามารถติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพได้ในช่วงของเวลาตี5้ถึง6โมงเช้านะในส่วนของรายการร่มธรรมและก็เวลา18นาฬิกานาทีถึงเวลา19นาฬิกา ในรายการกวีบทรถธรรมและก็เวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นรายการธรรมะเพื่อชีวิตรายการสนธนาธรรมในมงคล38ประการญาติโ ย, ยมต้องการที่จะสนทนาการจัดธรรมาภาพก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการนั้แล้วก็หลังจากจบรายการ5นาทีก็จะรอรับสายโทรศัพท์ญาติโยม สาธุชนทั้งหลายด้วยถ้ามีเนื้อหาสาระหรือประเด็นอะไรต้องการที่จะสนทนาวันนี้อาตมาภาพดูเวลาแล้วคงจะสมควรแก่เวลาอาจตมาภาพพระสมรักญาณทีโรวัดพันศีตำบลจารพัฒอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินต้องขออำลาประจากญาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดี จงมังเกิดมีแก่ญาโจมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านขอเจริญพร